มรสการหลวงพ่อประสงค์สามเณรและเพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติทุกท่านครับก็นับตั้งแต่วันที่4ที่หลวงพ่อได้ให้เน้นดูกายให้ละเอียดจึงเป็นฐานการปฏิบัติที่ต้องให้ความสำคัญก็ได้พยายามตามดูกายที่เคลื่อนไหวรู้ ความหนักเบารู้ เ, เวทนาตรวจสอบดูว่าเวทนาทางใจมีหรือไม่ตรวจสอบดูจิตว่ามีความเป็นปกติ เ, เป็นกลางยังไงก็ดูดูความเป็นอ น, นิจจังของกายก็มีความแนบแน่นคุ้นเคยอยู่กับฐานกายที่เคลื่อนไหวไปมาดีขึ้นนะครับ การปฏิบัติก็เป็นไปด้วยดีมีความมีความคิดตามปกติแล้วก็มีการอาแอบคิดโดยเราไม่ตัวบ้างครับก็ตามดูแต่มักจะเห็นแบบไม่ค่อยอเห็นทันนะครับก็